พม่าอีกสองคนแล้วมีพรานนำทางเป็นขชินรวมเป็นหกคนเดี๋ยวนี้คงกลายเป็นกระดูกกองอยู่ในดงนั่นเองแล้วเจ้ารู้จุดประสงค์ของชดกับนานอินหรือเปล่าเขาจะไปไหนเพื่ออะไรชายันถามมาแบบอย่างเสียงเขายินรู้แต่เพียงเขาจะมุ่งไปเทือกเขาพระศิวะมรกตนครเมืองในหมอกที่นั่นมีขุมเพชรมหาศาล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 ที่เจ้ายัางมีชีวิตรอดกลับมาได้ขยินพึมพำแล้วมองไปทางเชฐดาไหนพวกท่านว่าจะปราบงูยักษ์ให้ขยินแต่ท่านก็มีประสงค์ที่จะออกเดินทางไปเจ้าไม่ต้องกังวลในเรื่องนั้นหรอกขยินเชษดาตอบพลางยิ้มแม้ว่าเราจะมีจุดประสงค์สําคัญในการติดตามคนคนนั้นเราก็จะไม่ไปจากที่นี่เป็นอันขาดจนกว่าเราจะฆางูยักษ์ตัวนั้นลงได้สาเร็จ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 ชายยันว่าเชษถาสูบกล้องพ่นควันช้าๆแล้วก็เอ่ยขึ้นเป็นงานพิงการว่ารรบพินเดี๋ยวนี้เราได้มาถึงหล่มช้างเรียบร้อยแล้วตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับพวกลูกหาบเป็นอันว่าหน้าที่ของพวกนั้นหมดสิ้นลงเพียงแค่นี้เราจะปล่อยให้เดินทางกลับได้พรุ่งนี้ถ้าพวกเขาต้องการหรือคุณมีความคิดเห็นอย่างไรพรานใหญ่นิ่งไปครู่เดินไปที่หน้าประตูกระจมพัก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 ต่อหน้าคณะ น, า, นายจ้างที่นั่งฟังอยู่ด้วยหน้าที่ของนายเมยอกับลูกหาบทั้งหมดหมดสิ้นลงแค่นี้แล้วตามข้อตกลงจ้างถ้าอยากจะกลับพรุ่งนี้ก็กลับกันได้เลยนายเมย์อึ้งไปครู่แล้วยิ้มออกมาแห้งแรงพวกผมคิดถึงลูกเมียอยากจะกลับกันให้เร็วที่สุดเมื่อหมดงานแรกก็คิดว่าระยะทางจากกล่มช้างไปกลับคงไม่เกิน20สวัน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 ฉันเห็นจะให้นายเมยอถือจดหมายของฉันไปหาคุณอัมพลเขาและขอรับเงินกันได้ที่นั่นหัวหน้าคณะบอกมาอย่างปลอบใจนายเมยยกมือไหว้ท่วมหัวเป็นความกรุณาอย่างสูงของนายใหญ่แต่พวกผมยังไม่กล้าออกเดินทางจากหล่มช้างในระยะนี้ขืนออกจากหล่มช้างกันไปตามลาพังก็อาจกลับไปไม่ถึงบ้านสักคนเดียวทั้งสามเข้าใจความหมายของนายเมยได้ดี มองหัวหน้าลูกหาบอย่างเห็นใจอย่าว่าแต่พวกลูกหาบที่มีอาวุธเพียงปืนแก๊ปกับปืนลูกซองล้าสมัยกันไม่กี่กระบอกที่จะต้องหวาดหวั่นพร่านพึงต่อเจ้าอสูรผู้ป่าจากตีนตัวนั้นแม้แต่คณะผจนภัยผู้มีอาวุธอนุภาพสูงก็ยังรับว่าเป็นปัญหาหนักใจอยู่ในขณะนี้เกี่ยวกับเจ้า ง, งูยักษ์ตัวนั้นการเดินทางออกจากกรมช้างไปกันตามลาพังเพื่อมุ่งหน้ากลับหนองน้ําแห้งในภาวะเช่นนี้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 นายเมยบอกอ่อยๆชายยันพยักหน้าเข้ามาตบไหล่หัวหน้ารูหาตกลงเป็นอันว่าเรื่องนี้หมดปัญหาไปได้อันที่จริงเราก็ไม่ต้องการให้พวกนายเมย์กลับไปในระยะนี้หรอกเพราะมันเสี่ยงมากแต่ก็ต้องเรียกเข้ามาถามความสมัครใจดูเสียก่อนร่วมชีวิตบุกบั่นกันมาจนกระทั่งถึงลมช้างนี่มันทําให้เรามีความรู้สึกต่อพวกนายเมย์ทั้งหมดเหมือนส่วนประกอบในร่างกายของเราเอง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 เท่าที่มาด้วยกันแค่นี้ก็นับว่าดีแล้วเอาเถอะอยู่ใช่กันรปราบงูยักษ์ตัวนั้นเสียก่อนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเราทุกคนแล้วหลังจากนั้นก็ขอให้ทุกคนกลับบ้านได้ไม่ต้องกังวลอะไรอีกเชษฐาพูดอย่างเห็นอกเห็นใจเมื่อหัวหน้ารูหาบกลับออกไปจากกระโจมแล้วระพินก็ซุดตัวลงนั่งบนลังใบหนึ่งขาเห็นหนางอ้วนอนขดตัวอยู่ที่ข้างๆร่างของเจ้ามุใกล้กับเตียงสนามของดาลิน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 นอกจากจะหาทางแก้ไขมันให้ร่วงไปเป็นเปราะๆอย่างนักผจญภัยเลือดข้นวิกฤตการณ์ใดๆก็ตามที่มันอุบัติขึ้นล้วนเป็นเครื่องส่งเสริมจันรลงพลังต่อสู้ของบุคคลทั้งสามให้เด็ดเดี่ยวทรหดขึ้นไปทุกขณะไม่ว่าจะเป็นเชษฐาหัวหน้าคณะผู้พิการชั่วขณะชัยยันอดีตนายทหารหนุ่มผู้กล้าแกร่งผิดระจานิสัยขี้เล่นภายนอกและดาริน ราจสกุลสาวสวยผู้มีน้ำใจฝีมือเป็นตรงข้ามกับรูปโฉมราวกับว่าพระเจ้าสร้างเพศของหลอนมาผิดเดี๋ยวนี้เรากำลังมาประจันหน้ากับปัญหาลักษณะเดียวกันกับเมื่อคราวไอ้แว่งผู้พูดคือชายยันเอนตัวลงนอนผ้าเตียงสนามมองขึ้นไปจับอยู่เพนเดนกระโจมถ้าโชคเข้าข้างเราเราก็ควรจะปราบงูยักษ์ตัวนั้นลงได้สาเร็จก่อนขาของเชืฐาจะหายสนิท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 ก็ยังไม่โผล่เข้ามาให้เห็นเราได้ดำเนินกับมันได้เราไม่ต้องเสียเวลารอคอยตามที่รับปากไว้หรือคำพูดของชัยยันทำให้ทุกคนตกอยู่ในห่วงคิดหนักก็หน้าหนักใจอยู่เหมือนกันหัวหน้าคณะพึมพมออกมาหลีตาลงแต่ฉันคิดว่าอย่างช้าที่สุดภายในไม่เกินเจดวันนี้ไอ้งูตัวนั้นจะต้องป้วนเปี้ยนเข้ามาที่หมู่บ้านนี้อีกแน่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 ยากที่มันจะหากินจากที่อื่นได้นอกจากที่นี่มันก็บังเอิญประจวบเหมาะไปอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันที่แช่ฐาจะต้องอยู่ในระหว่างพักฟื้นที่นี่ด้วยระยะเวลานี้เราใช้เป็นเวลาที่รอคอยกำจัดงูตัวนั้นไปในตัวว่าแต่ตามความรู้สึกของขยินและชาวบ้านทั้งหลายเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่เรารับอาสาครั้งนี้พอจะเลื่อมใสศรัทธาดีอยู่หรือเปล่าอาดีตนายทหารปืนใหญ่สอบถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง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 มันขึ้นอยู่กับเวลาแต่ละชั่วโมงที่ผ่านไปแต่พี่เชื่อมในฝีมือของน้อยเชิฐากล่าวมาอย่างมั่นใจน้องสาวยิ้มจืดจืดสายหน้าเช่มช้าเดินมาจุดบุหรี่สูบฝีมือต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ที่พร้อมมูลครบถ้วนด้วยค่ะพี่ใหญ่อาการของมุอย่างที่เห็นกันอยู่นี่ถ้าได้ทำการรักษาเยียวยากันในโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือพร้อม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 มันบ่งชัดอยู่ว่ารอนไม่ได้ประมาทเลยและเท่าที่เห็นก็เอาใจใส่ประครบประงมคนเจ็บอย่างเต็มที่ถ้าเจ้ามุไม่รอดในครั้งนี้ก็แปลว่ามันถึงที่เอาจริงๆอย่างช่วยไม่ได้นึกว่ามาถึงหล่มช้างจะได้พักผ่อนกันให้เต็มที่ก่อนการบุกหนักช้างก่อนการบุกข้างหน้าต่อไปที่ไหนได้มาเจอเอาเรื่องตึงเครียดนอนตาไม่หลับเข้าอีกแล้ว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 แล้วตบแขนพผานใหญ่ถามมาอย่างผู้ใหญ่ว่ากินข้าวกินปลาเรียบร้อยแล้วรือระพินเห็นหายไปตั้งแต่เยน็นผมกินกับขยินเรียบร้อยแล้วครับนานๆพบกันทีและมีเรื่องที่จะต้องพูดกันมากก็เลยต้องไปครุกอยู่กับมันเพื่อเอาใจมันหน่อยดารินทําท่าเหมือนจะเพิ่งนึกอะไรขึ้นมาได้ถามมาโดยเร็วว่าเป็นยังไงลองสอบเจ้าขยินของคุณดูแล้วอย่างเรื่องที่มันค่ามาัชมิชินารีสองผัวเมียนั่นนะ่ะ พานใหญ่อึดอัดเล็กน้อยตอบหล่อนมาไม่เต็มปากเต็มคำนักก็ถามมันดูแล้วครับแล้วมันบอกว่ายัางไงทําไมไม่เล่าไปให้ละเอียดหล่อนซักยังสนใจเต็มที่แล้วพินถอนใจเบาๆจะอย่างไรก็ตามดารินก็ทิ้งนิสัยประจําเพศหลอนไปไม่ได้ชอบวุ่นวายเจ้ากี้เจ้าการอารมณ์อ่อนไวหวละเอียดยิบดูหลอนเจตนาจะสะสางหัวหน้าบ้านหดมช้างให้ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้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 ถ้ารักษาไม่หายสามวันต่อมาเมียของขยินก็ตายขยินก็เลยฆ่ามิชนาลี่สองคนผัวเมียนั่นเสียหล่อนกล่าวดักคอมาด้วยเสียงกล้าวแข็งตาลุกวาวพรานใหญ่ยากไ์ใ่อย่างที่ผมเคยบอกแล้วนั่นแหละครับเจ้าพวกนี้ซื่อตรงต่อคํามั่นสัญญาที่สุดตกลงกันไว้อย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันมีวัฒนธรรมมากในด้านหนึ่งแต่ก็ป่าเถื่อนมากในอีกด้านหนึ่ง หน้าของนักมานุษยวิทยาสาวตึงเครียดจ้องมองดูเขาด้วยสายตากระด้างปันหนึ่งจะเห็นเขาเป็นขยินไปเฮ้ดีนี่หมายความว่าคุณเห็นว่าเจ้าสหายขยินของคุณทำถูกต้องแล้วงั้นสิผมก็ไม่เห็นว่าขยินทำถูกต้องแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้เหตุการณ์มันไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่มีผมอยู่ด้วยถ้าผมอยู่ด้วยในตอนนั้นมิชชันนารีสองคนนั่นก็ไม่ตาย และนี่เรื่องมันก็ผ่านมาแล้วสิ่งที่ผมจะทำได้ก็คือสั่งสอนห้ามปรามมนไม่ให้ทำอย่างนั้นอีกซึ่งมันก็ยอมเชื่อฟังดีหญิงสาหัวเราะหืในรำคอหันไปมองดูเจ้าหมุมิน่าล่ะคุณถึงได้มากำชับฉันนักหนาในเรื่องการรักษาเจ้าหมุนี่สมมุติว่าถ้าฉันช่วยหมุไว้ไม่สำเร็จโดยมันเกิดตายลงขยินก็คงจะคิดฆ่าวพวกเราด้วยงั้นสิ จอมผ่าหรื อ, ร, อ, ร, อร้อเอือยในลาคอคงไม่ถึงอย่างนั้นหรอกครับคุณหญิงเราไม่ได้ไปท้าพนันกับมันไว้ว่าเราจะรักษามู้ให้หายโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั่นประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราไม่อยู่ในฐานะที่ขยินจะบังอาจคิดร้ายถึงเพียงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิง่งขยินเกรงกลัวฝีมือคุณหญิงมากเป็นพิเศษไม่หนำซ้ํายังเลื่อมใสเต็มที่เพราะผมไปโฆษณาชวนเชื่ อ, อคมขู่มันไว้ โดยบอกมันว่าคุณหญิงเรียนวิชาแม่มดหมอผีมีอิทธิฤทธิ์มากเก่งกว่าหมอผีประจำหมู่บ้านของมันหลายเท่านักถ้าไม่มีเวทมนต์แก่กล้าก็คงไม่เสกรูปปืนให้เข้าเป้าหมายได้ทุกนัดอย่างที่มันเห็นกับตาแล้วแล้วมันก็เชื่อสนิทดาดินร้องอะไรออกมาคำหนึ่งลืมตาโตตายนี่อุปโลกฉันเป็นแม่มดหมอผีพิเศษแล้วรือนี่ถ้าอยากจะให้ขยินมันเคารพเกรงกลัวคุณหญิงตลอดไป ก็ต้องยอมเป็นแม่มดครับบ้าหล่อนล้องเอ็ดร่านเต้นเชิดถากับชายยันพากันหัวเราะออกมาอย่างขบขันชอบอกชอบใจชายยันพูดพรางหัวเราะพางกับเพื่อนสาวว่าเหมาะแล้วน้อยระพินก็ปูพื้นไว้ให้เราแล้วเธอต้องเล่นบทบาทแม่มดไปจนกว่าจะออกจากกล่มช้างบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าอยู่ดีไม่ดีจะให้ชันกลายเป็นแม่มดไปเสร็จแล้วก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนี่ครับ สมมุติว่าผมบอกกมันว่าคุณหญิงเป็นสัญญาแพทย์มีเกียรตินิยมเป็นนักมนุษยวิทยาที่กำลังจะทำปริญญาดุษฎีบัณฑิตเป็นอะไรต่ออะไรที่มีดีรกรีต่อท้ายยาวเหยียดสักขนาดไหนขยินมันไม่สนใจหรอกแต่ถ้าบอกว่าเป็นแม่มดผู้มีเวทมนต์วิเศษคำเดียวมันยอมสิโรราบแล้วคุณหญิงจะเลือกเป็นแพทย์หรือว่าเป็นแม่มดสาหรับเจ้าพวกคนโดงเหล่านี้ ดีจริงนะดีมากเพราะพลานพลยดาลินเน้นเสียงประโชดมาอย่างฉิวฉิวตรงข้ามกับแช่ถาและชายยันในขณะนี้ซึ่งผ่ากันหัวรอกคลึกๆคลลั่นที่พักเราจะชนะใจพวกเจ้านี้ได้ก็ด้วยจิตวิทยาเป็นหลักใหญ่และพินเขาทำถูกแล้วน้อยพี่ชายพูดมายิ้มยิ้มถ้าคิดจะพักอยู่ที่หล่มช้างนี่ชนิดนอนตานหลับสั่งคาไหนเป็นคานั้นแล้วก็ เธอต้องเป็นแม่มดตามที่เราพินว่าเขาใจชา ย, ยานเสริมมาด้วยอารมณ์สนุกกเาซ้าเพื่อนสาวดารินทิ้งตัวลงไปนั่งบนเตียงอย่างหมดแรงชำเลืองหางตากุนคุนจับอยู่ที่พานใหญ่แล้วคลอนตาความบนพำถ้าฉันมีอิทธิฤทธิ์ได้อย่างแม่มดจริงๆมันก็ดีนะสิสำคัญไม่มีฤทธิ์จริงเจ้าขยินมันคงจับแม่มดก็เผาทั้งเป็นให้สักวันหนึ่งก่อนที่จะไปจากที่นี่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 อันเป็นวิทยากลพวกนี้ก็จะมองเห็นคุณหญิงยิ่งกว่านางไม้หรือผู้ผีปีศาจ ท, ที่มันเคยนับถือผมช่วยเป็นหน้าม้าประกอบการเล่นกลของคุณหญิงก็ได้พรานใหญ่พูดหน้าตาเฉยแต่แล้วก็ต้องหดคอลงเมื่อมองเห็นมือหงิกของแม่มดคนสวยสองหลามาทางเขาพร้อมกับตาเขียวปัดประหลับประเปลือเงกนี่แนะตัวดีนักนะเรานะ่ะระวังให้ดีเอะแม่มดคนนี้จะเสกเชื่อไอวาให้เข้าท้องสักวันหนึ่ง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 ทำหน้าตายบอกมาอย่างวินัยทหารว่ากระผมจะปฏิบัติตามคำสั่งของนายหญิงครับผมแล้วเขาก็พลักออกไปพอรับร่างของพรานใหญ่เชนาหานไปมองหน้าน้องสาวทำไมไปบังคับเขาราวกับว่าเขาเป็นเด็กเล็กในปกครองของน้อยอย่างนั้นไม่ใช่บังคับเพราะเห็นว่าเป็นเด็กเล็กในปกครองหรอคร่ะน้องสาวตอบพร้อมกับยิ้มจืดจืดยักไรพี่ใหญ่ไม่สังเกตหรือคะ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 และคี้ระแวงของรอนนั่นเองก่อนเข้านอนหญิงสาวเดินออกมาแหวกประตูกระจอมสังเกตออกไปเยี่ยมบรเวณที่พักชายยันก็ตามเข้ามาหยุดยืนดูเคียงข้างอยู่ด้วยพบว่าพวกรูกหาและพลานพื้นเมืองเข้าประจําเวียนยามกันแข็งแรงเป็นปกติไม่แตกต่างไปกับการภาคแรมอยู่ในดงทั้งสองมองดูด้วยความพอใจแล้วปีนของเราไม่ใช่คนประมาทหรอก เขารัดกุมอยู่ทุกขณะชนิดวางใจได้ทีเดียวชา ย, ยันกระซิบกับเพื่อนสาวเบาๆแต่ฉันดูท่าว่าคืนนี้ถ้าไม่ขัดคอไว้สิก่อนเขาคงจะทิ้งแคมป์ไปนอนบนเรือนขยินแน่ๆดูแต่เมื่อเย็นนี้สิแทนที่จะลงมากินข้าวกับพวกเรากลับไปกินกับไอลิงธโมนนั่นสินี่หล่อนว่าชา ย, ยันหัวเราะเขาสังเกตเห็นแล้วนักมนุษย์วิทยาคนสวยมีอาการหงุดหงิดมาก เมื่อระพินสั่งเกิดมารายงานว่าให้คณะนายจ้างรับประทานอาหารเย็นการตามหลำพังโดยไม่ต้องรอเขาดูท่าทางเธอยังไม่ไว้ใจขยินนักเธอน่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับผานใหญ่ของเราเขารับรองคำเดียวฉันก็สบายใจแล้วสำหรับขยินนั่น